ตัณสาธุชนพุทธบริษัทว์ทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์ชัเนรทั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงด้านบัญญาบา ร, รมีในความจริงบัญญาบารมีนี่เป็นบา ร, รมีครอบจักรวาลมีบัญญาติที่อย่างเดียวอะไรอะก็มีหมดแต่ถ้าว่าวันนี้จะคุยถึงบัญญาบารมีถ้ามีแล้วอะไรมันจะดีขึ้นมาบ้าง ถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็ทบทวนบา ร, บรมีทั้งสิบเืองหนึ่งถ้ามีปัญญาแล้วการให้ทานทานวารมีก็เต็มเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาก็ไปช่วยทานบารมีจะมีความเข้าใจว่าคนที่ไม่ทานเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง แต่ว่าถ้าการให้ทานเกินพระเหมาะพอดีไปก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวไม่กันนี่ปัญญายาสอนเราอย่างนี้นี่ว่ามีปัญญาแล้ทานบารมีมีได้อย่างไงก็จะทราบว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยสร้างความรักถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากมีคนรักน้อยแล้วก็มีความสุขน้อย ถึงแม้ก็จะเป็นคามสุขโรกีวิสัยก็ช่วยจะกำลังใจและผ่องใสได้ในบางโอกาสค <c oughs> ือความขับแค้นใจก็มีน้อยการให้ทานไม่ได้ทำลายโรคภัยไข้เจ็บการให้ทานไม่ได้ทำลายความแก่การให้ทานไม่ได้ป้องกันความตายก็จริงแหละแต่ทว่า ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปไหนก็พบแหน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสสร้างความสดชื่นให้เกิดกับใจมีความสบายใจมากมากกว่ามากที่จะมีทุกจมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่าทานคนที่ไล่ความเมตตาไล่ความคุณาคือความรักความสงสารไร้ความสันโดษที่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทำ อยากจะยื้แย่งทรัพย์สมบัติเขาของคนอื่นย่อมเป็นที่รักของคนทั้งปวงเขาก็ยังมีศัตรูระหว่างคนทั้งชาติความสุขก็จะไม่มีนี่ปัญญาบา ร, รมีอย่างน้อยในเรื่องการให้ทานีเห็นผลอย่างนี้แล้วก็ปัญญาจะเห็นต่อไปว่าถ้าเราทำลายความโลภในการให้ทานเสียได้ <c oughs> เราจะพบกับความสุขใหญ่อันดับ ต่อไปนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อคนที่จะไปนิพพานเนี่ยเขาต้องทำลายความโลภความโลภไม่มีในจิตเป็นความสะอาด จ, จุดหนึ่งและต่อมาคนที่มีปัญญาก็มีศีลได้คนที่จะมีศีลต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเขาจะคิดว่าการฆ่าสัตว์ชีวิต แลือฆ่าคนที่มีทรัพย์นําเอาทรัพย์มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาสัาาสตว์ามากินบ้างเอาสัตว์มาขายเพื่อทรัพย์บ้างเป็นของดีแต่าคนที่มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าเรากับเขารักโศกเกรียดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมันก็เห็นก็เลงร้ายกันสร้างเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นสร้างความรักให้เกิดขึ้นสร้างความสงสารให้เกิดขึ้น กำลังใจของคนที่รักษาสิ่ข้อนี้ก็มีความสุขมีความสุขเพราะไม่มีศัตรูถ้ายม่าตาจากความเป็นคนก็มีความสุขต่อไปถ้าต่อไปคนที่รักษาสิ่งในข้อที่สองการมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติก็เพาคนอืน่นมีสันโดษเฉพาะบินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หา ม, มันได้โดยชอบทำแต่สองข้อนี้ก็เป็นใบใจสร้างความรัก เหมือนกันเราไม่ยื้อแย่งคู่รักของคนอื่นก็ก็สร้างความรักถ้าไปยื้อแย่งเขาก็สร้างสัตย์ดุใหปัญญาเห็นวาจาที่พูดกันเหมือนกันการพูดปดไม่ดีการพูดคําหยาบไปเสื่อเสะเทือนใจขอคนทั้งหลายไม่ดีการนินพาชาวบ้านสอเสียดยุโยงส่งเสริมเขาแตกเรากันไม่ดีการพูดวาจาเหลวไหลไม่ดีไม่ดีเพราะอะไร เมื่อคนรับฟังเขาไม่ชอบเมื่อคนรับฟังเขาไม่ชอบเรามีคนไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เมอสู้การพูดจริงตรงไปตรงมาจะเลือกเวลาพูดให้เหมาะสมจะพูดวาจาไพเราะอ่อนหวานไปที่น่ารักถ้าพูดวาจาสร้างสรรค์ประโยชน์ก็คือว่าให้คนเขาดีๆกันไม่แตกเล้ากันเมื่อสารสา ม, สามัคคีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เหลวไหลเรามย์ไม่พูดวาจานั้น ถ้าสายกําลังใจได้ทั้งสีรายการจะเป็นที่รักของคนทั้งหมดไม่ว่าใครเขาก็รักเราและต่อมาสิ่งข้อสุดท้ายการเด่มสุรามีไรคนมีปัญญาเขาทราบว่ามันมีแต่โทษไม่มีคุณโทษอันดับแรกก็คือเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินโทษอันดับที่สองก็คือเสียเวลาการงาน โทษอันดับที่สามทำลายปริสาทให้ย่อยยับโทษที่สี่คนเราเป็นคนดีๆถ้ากลายเป็นคนบ้าคนเมาสุราเนี่ก็คือคนบ้าจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เคยอายสิ่งที่เคยเว้นไม่เคยเว้นเมาแล้วทําได้ทุกอย่างมันก็มีแต่ความทุกข์สร้างความทุกข์ให้กับตัวทุกวัน จ่ายเงินส่วนไปวันละบาทปีสามร้อหกสิบห้าบาทถ้าจ่ายเงินไปข้าสุราไปวันละสิบบาทปีก็ 3, สามพันเศษจ่ายเงินข้าสุราไปวันละร้อยก็ตายเพราะเขาสิ้นเงินไปปีสามหมืนบาทเสรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาด้วยการยากเหนื่อยแรงานมีความลําบากยากแค้นไม่ทําอย่างนั้นคนมีปัญญาเขาไม่ทํา นคนที่เรียกว่าปัญญาชนเนีขาไม่ละเมิดสินทั้งห้ารายการถ้าการละเมิดมาแล้อเราไม่ละเมิดสินทั้งห้ารายการพระเจ้าธรรมบขวดโดยเฉพาะฆราวาสนะถ้าพระเน้นต้าสิ่ของตัวเองท่านบอกว่าคนที่ทรงสินส่วนปกติสองศินบริสุทธิ์ปกติอาลยสงฆ์คือสีเลนสุขติงยันติ วันที่มีสิ่งคระทุกนจริงๆมีเป็นมนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะเป็นที่รักของคนทั่วไปอันตรายน้อยถ้าตายไปแล้วท่านก็บ่ก็มีความสุขตายไปแล้วจะมีความสุขขนาดไหนพวกท่านได้จดดูปับปาิยานดูคนที่เขาทำความดีแล้วเขาไปเสวยสุขขนาดไหน ใช้จู่ตรวปฏิญาณเข้าไปดูเราจะรู้ชัดอันนี้คนทำชั่วมีความทุกข์ก็ทราบอยู่แล้วพวกท่านปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่าศีลเลยนะโพกับสมถทาในชาติปัจจุบันนี่เรามีศีลแต่เฉพาะศีลห้าถ้าเราไม่เป็นไม่เป็นศัตรูกับใครก็ไม่ต้องสร้างอาวุธไม่ต้องสร้างบ้านมีความสาคัญแน่นหนาไม่เกิอันตราย จิตเป็นสุขถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อย่างทรัพย์ ส, สมบัติของใครเราก็ไม่มีสติเราเราก็ไม่สุขเราไม่คิดจะแย่ยื้อย่างคนรักคนอื่นก็ไม่มีใครเกลียดจิตเราก็เป็นสุขเราพูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาไพเราะ <c oughs> พูดแนะนําให้เขามีความสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์คนก็รักเราก็มีความสุข เราไม่ดื่มสุรามีไยไม่สิ้นทรัพย์หรือสติไม่ฟั่นเฟือนเราไม่เป็ไม่เป็นคนบ้าเราก็มีความสุขอันนี้ความสุขในปัจจุบันแม่สัมปรายาภพนั้นท่านบอกว่าจะไปสวรรค์บ้างจะไปพรหมบ้างจะปณิพานบ้างาก็ตามกับเราเองทุกคนท่านตามกันได้แล้วเพื่อรวมความว่าคนที่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆสิ่งก็บริสุทธิ์ผุดพอง เห็นไหมปัญญาบา ร, รมีถ้ามีเข้าบา ร, รมีสิมันครบนะนี่ความจริงบา ร, รมีเรื่สงสำคัญจริงๆมีใ ส, ส่สี่บา ร, รมีคือทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขามาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนอกนั้นเป็นบา ร, ร, รมีช่วยสนับสนุนอัน <c oughs> นี้มาเราก็มาว่ากันต่อไป <c oughs> ว่าปัญญาถ้ามีขึ้นอย่างนี้แล้ว เม่ขมมะบารมีจะมีไหม <c oughs> ในขมมะนี่ก็แปลว่าการถือโบทคนใดที่มีศีลเป็นปกติคนใดที่มีจิเตมเมตตาปาณีเป็นปกติชอบให้ทานคนประเภทนี้เขาถือว่าเป็นนักบวชแล้วถ้ายังไม่บวชโกนหัวห่มผ้ากาสาวพัด ก็เอว่ยวบวชใจเดียวความจริงบวชใจนี่มีความสำคัญมากถ้าบวชแต่กายพระที่บวชแต่กายจะลงนรกนับไม่ทวนท่านังหลายเมื่อครูก็ฝึกตอนที่ฝึกท่องเที่ยวไปในพบต่างๆเขาพาท่านไปนรกท่านก็พบแล้วใช่ไหมว่าพวกที่ห่มผ้ากาสะวะพัดที่ไม่เคารพในระธรรมวินยัย มีอำนาจวาสนาบารมีดีไม่ดีก็เป็นคนปกครองพระแต่ก็ความชั่วเข้ามาปกครองพระใช้อำนาจวาสนาบรารมีที่มีอยู่คมขี่คมเหงทำลายศีลธรรมทำให้พระต่ตางๆมีความทุกข์หลอกลวงบรรดาท่านพุทธบริษัทเด้่ออะไรมาบอกบุญมาว่าจะทำอย่างนั้นบ้างจะทาอย่างนี้บ้างก็ไม่ทำ แต่ความจริงนี่พระนี่ไม่หนักบรรดาญาโยมพู้ตรบริษัททุกคนคเขาเมตตาปราณีอยู่แล้วเออขออย่างเดียวให้ปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระปฏิบัติแก้วกินก็สบายนอนก็สบายอยู่แล้วแต่ถึงยังก็อย่างนั้นก็ดีท่านยังหลายเมื่อไปในโลกพบแล้วใช่ไหมว่านักข่มผ้ากาวสาวพัดทั้งหลายที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินยัยก็มีพระท่านหนึ่ง ไปพบพระที่รู้จักกันบอกว่ามีอายุถึงเจ็ดสิบปีเมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้าที่บันทึกนี้ที่จะคุยกันนี้ไม่กี่วันแปรกฏตายแล้วไปพบแนวเวจีมานะรกท่านเอาตัวขึ้นมาถามกันจริงๆบอกว่าละเมิดพระธรรมวินยัยเอาของเข้าบานส่งเงินเข้าบาน ของวัดที่มีอยู่บางองค์ก็ตัดไม้วัดขายเอาเงินมาใช้บางท่านก็ไปว่าสังคารดีการไม่ไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยว่าสังคารดีการต่งกว่าถูกฟ้องร้องเป็นความผิดจริงที่ก็เป็นพักพวกก็มีเขา เ, าเงินไปให้เพือรับเงินรับทองก็บอกว่านี่เขาไม่ผิดเขาเป็นคนถูก อย่างกับวันที่กำลังจะคุยกันนี้มาตอนกลางวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามสิบมกราคมสองพันห้ารอยี่ิบเจ็ดเมื่อตอนกลางวันนี้ผมพบญาติโยมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมากันหลายคนพระมาหลายรูปมันเล่าถึงปฏิบัติารเขาเประสังคารีการองหนึ่งว่าเขาจะทำอะไรก็ขวางทุกอย่าง ยาเจริญกับมฐ า, านก็เปิดขยายเสียงกรบส่งเสียงกรบแกล้งต่อมาก็จับไก่มาเชือดเขาแกงกินจริยาเรลวสามใครก็ทำใครก็ถวายทรัพย์สมบัติก็มาพราะจะทำโน่นทานี่ลายกฏว่าวถินพระปาาได้เป็นหมื่นเป็นแสนสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ตกถึงพระด้วยกันเลยเฉยหายไปหมด รากฏว่าเข้าบ้านบ้างไปให้เจ้าคณะตําบลบ้างให้เจา้าคณะอำเภอบ้างให้เจ้าคณะจังหวัดบ้างนี่เรื่องมันนานมาแล้วนะแต่พอจะบ้านไปร้องเรียนกับเจ้าคณะตําบลอำเภอจังหวัดเขาหยวนกันหมดนี่เรื่องมันนานแล้วนะไม่ใช่วันสองวันนี่นะท่านเล่าเรื่องมันนานมาแล้วคนจะไม่ใช่ปัจจุบันเป็นเรื่องการผ่านวัที่ผ่านมาแล้ว เจอทั้งต้องร้องเรียนเป็นทั้งผู้ใจผู้ ว, ผว่าเจ้าหน้าตุลาการภาคได่กดรับพาคท่านอยู่แล้วไม่อยู่ก็ไม่ทราบได้จะร้องภาคร้องภาท่านจัดการนั้นท่ามไม่ดีแนะ่สามระดับจังบนอำเภอจังหวัดเขาว่าดีหมดแล้วเนี่ยภาพิจารณาภาคพิจารณาความจริงให้ย้ายไปจา ก, กวันนั้นเขาร้องเรียนให้ย้าย แต่ความจริงโทษอย่างนี้ไม่น่าย้ายาย้ายไปที่อื่นก็ไปสร้างความเสื่อมเสียที่อื่นอีกก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพอย้ายไประโยชน์อื่นก็ใช้ปฏิบัติเดิมไปสร้างความเดือดร้อนอีกอันนี้บรรดาเพื่อนพิโสสมนเนรท่านพูดนั้นท่านบอกว่าเวลาท่านเจริญกรรมฐ า, านท่านทบทวนไปดูบุคคลที่กล่าวแล้วทั้งหมดที่ตายไปแล้วอันมานมาแล้วนี่ไม่ทราบว่าสมัยไหน ท่า น, นบอกว่าไปนอนสบายอยู่ในเอลเวจีมาหานรกทั้งหมดเลยหมดกรุปประสังขาริการขั้นจาวาจข ด, ด, ดีเจ้าหน้าตำบลข ด, ดีเจ้าหน้าอำเภอข ด, ดีเจ้าหน้าจังหวัดข ด, ดีท่า น, นบอกว่าไปเจอที่นั่นไปเจอเขาแล้วเรียกตัวขึ้นมาถามรับความจริงหมดได้ความจริงที่ปรากฏว่าท่านผู้นี้ยังไม่รู้ยังมีเยอะอยรวมความว่าท่านทำทุกอย่างอย่างคารวะ เงินทองก็ใช้ปนเปอร์ในด้านการมาราคาบ้างหวังความร่ํารวยบ้างเอาไปให้กับผู้บังคับบัญชาบ้างก็เลยชวนพวกเข้บา บ, บัญชาไปอยู่ในรกลันบแถวนี่เรื่องมันอาจจะผ่านมาเกินร้อยปีนะจะเป็นนิพพนกเ ร, เรื่องเรื่องเร็วๆนี่เป็นทชนี้คนที่ไม่มีปัญญาไร้ปัญญาทำไมเป็นอย่างนี้ เี่ขมันเล็กขมะบารมีนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องห่มผ้ากาสาวัตถ์หมายเพื่อการบททางใจคนที่มีสินห้าบริสุทธ์ก็ถือว่าเป็นเล็กขมมะบารมีก็ถ้าอดใจได้ได้ความชั่วดั่้งห้าอย่างคนที่มีทานบารมีก็ถือว่าเป็นเล็กขมมะบารมีถ้ามีจิตเมตตาปราณีพลักมัฉริยะความตณีพระความโลคออกจากจิต นี่ยเน่ธรรมบารมีนั่นต้องว่ากันเป็นชั้นๆหากว่าคนที่มีปัญญาบา ร, รมีด้วยแล้วจะเป็นเน่ธรรบารมีขั้นสูงขึ้นไปเรีอกได้ว่าเน่ธรรมบารมีนี่ไม่ใช่หมายความต้องบวชเสมอไปญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยเวลานี้ใจของท่านไม่ติดอยู่ในความโลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากใครเนี่ย นี่เป็นเนกขมะบรมีอันดับหนึ่งแล้วก็ไิการในสองสินลังรับปัญญเวณห้าไการความชั่วให้อย่างเราไม่ทำนั่ ง, งับใจไว้ก็ถือว่าเป็นนักบวชขั้นตน้นบวชใจสำคัญกว่าบวชตัวแล้วก็บางท่านมีพระอีกไปการหนึ่งที่สูงขึ้นไปที่นั่งอยู่ที่นี่สุดนี้สำคัญเนี <c oughs> เนคขมะบรมีเบื้องต้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งท่านทั้งหลายสามารถทรงจิตให้ปลอดจากกิเลสวันหนึ่งอาจจะได้เวลาเกินกว่าสิบนาทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ท่านเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาทุกคนมีความเคารพในศิลทุกคนเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง เวลานั้นทุกคนสามารถระ ง, งับนิวรณ์ได้ถึงแม้มันจะเป็นเฉพาะเวลาเนี่ยเวลาทักงห้านาทีสิบนาทีก็ตามพอนิวรณ์ระ ง, งับลงไปจิตใจก็เริ่มเ ป, ป็นทิพย์จิตใจเริ่มเ ป, ป็นทิพย์ทิพกุยานก็เกิดสามารถรู้เห็นจักใจว่าผีเทวดามีจริงผมมีจริงกําลังใจสูงก็ไปเพราะนั้นพอกําลังใจเข้าทิงชานสมาบัติ ถ้าก็สามารถสลับจากกายนอกเอากายในยออกไปเที่ยว <c oughs> ไปท่านสวรรค์ไปท่านพมโลกตัว <c oughs> ใหญ่รู้จักสภาวะของนิพพานรู้จักนรกทุกข์โมรู้จักความเป็นมาทุกอย่างเวลาที่จิตไปะสะู่สวรรค์สู่พมโลกไปรู้ภาวะนิพพานก็ดีแลวท่องเที่ยวไปแดนนรกไปอาศัยกายก็ดี เวลานั้นจิตของท่านปราศจากนิวรณ์นิวรณ์ห้าแรการไม่มีกวนใจกิเลสทุกตัวก็ไม่กวนใจท่านในเวลานั้นนะเวลานั้นเป็นเวลาที่เปานปลอดเชลารมโช่จริงๆอย่างนี้ถือว่าบรรดาพิสดุสมนเนตและญาติโยมพระบริษัท์ชายหญิงที่นั่งฟังจุรรอบวงเวลานี้ เวลานั้นชั้นเป็นเนค ข, ขมบรามีขั้นที่มีความสําคัญคือชั้นมธัธยมเลยตอนตอน้ตนๆมีทานมีศีลถือว่าชั้นปฐมถ้าไปท่องเที่ยวได้อย่างนี้มีธิพญาณได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเข้าถึงแก่งความดีที่พระองค์ทรงสอนต่อไปคนที่มีปัญญายก็ต้องมีเนค ข, ขมบรามีสูงกว่า น, นั้น นั่นคือจับพยายามตัดสังโยชน์ทั้งสามรายการเป็นมุมหนึ่งที่เราจะต้องไม่ต้องเวินไหวตายเกิดในวัฏฏะคือรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่เมาในชีวิตจิตยอมรับนะือพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจทำความดีทุกอย่างตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการผลิพภัณฑ์นบรรดาท่านพุทธิษัาทุกท่าน แล้วก็นิธาจิตใจนึกต่อย่างนี้เป็นไปรรมเราก็หนีอาบายภูมิได้แน่นอนที่ย น, นี้อาบายภูมิได้อย่างนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีปัญญาถ้าเราไร้ปัญญาแล้วก็ไม่มีทางจะทำได้และคนที่มีปัญญาที่มีกําลังใจเกิดก็ลาก็ไม่ยอมยับยั้งอยู่แค่นี้เพราะการหนีแค่นี้เราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือพรหม หมดกำลังข้างบนส่วนนั้นลงมาเป็นคนใหม่ไม่เลยลงอบายภูมิแต่ก็ยังคิดว่าการมามาเป็นคนนี่มันก็ทุกเท่าเดิมยังเป็นเด็กจะไม่แก่ยังป่วยไข้มาสบา ย, ายพัดพลายจะาคลองรักของเจ้าคลองของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังยังไม่อิ่มในความดีที่อย่าเพิงปฏิบัติก็พยายามโรภรักความดีให้มันสูงขึ้น สรงอารมณ์เดิมไม่ตามที่เราคิดไปแล้ว <c oughs> ทําไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาใช้กําลังขั้วยานต่างๆว่าราคะความรักในระหว่างเพศมันช่วยเราให้มีความสุขทัง้งความมความทุกข์ถอยหลังเข้าไปถึงการมีคู่ครองมันสุขขึ้นมาแล้วเพิ่มทุกข์ขึ้นแล้วะเจ็ว่าเพิ่มทุกข์ขึ้น ถ้อยานใช้ปุบเพนิวาสานุติยานที่ปัญญาบารมีต้องใช้พุน่นประกอบหลายอย่างจะได้รวดเร็วใช้ปุบเพนิวาสารติญาณว่าทุกชาติที่เราเป็นคนร่ำรวยและหาทรัพย์ได้มากกว่ามาลม่กกวตา ม, ม, าตามเรามีคู่ครองมีลูกมีหลานชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วเรานํามาได้หรือเปล่าพ้นจุดไม่ได้เลย เราเกิดมานี่ผ้าชิ้นหนึ่งก็ไมาติดตัวมานะมาร่างกายล่อนจนของเก่าที่หมดนี้ก็ทำให้คลายอารมณ์ความโลภและคลายอารมณ์ความรักในระหว่างเพศ <c oughs> คลายอารมณ์ความโลภที่อยากจะได้เกียได้กายเหนืยเกินไปให้น้อยลงคําว่าพอเริ่มมีแต่ไม่เหยุดอยู่ไม่หากินหากินได้เลยไปแต่ไม่เต็ม แต่ว่าไม่ทะเยอทะยานมากนรรกักทําจิตให้เป็นสุขกาลังมีเท่าไรพอใจเท่านั้นทําดีที่สุดผลได้เท่าไรพอใจเท่านั้นการอยากรวยยังมีจะไม่คดไป่โกงใครต่อมาก็มาทบทวนถึงความโกรธเราเคยโกรธมากี่ชาติความโกรธให้ความทุกข์ให้ความสุขใช้ปลุกเพลินวาสานิยานถอยหลังลงไป เห็นว่าความโลภกนดีความรักเกินพอ ด, ดีก็ดีความโกรธก็ดีถ้าเราหลงอยู่ในมุมนี้ตายมาเลยลงนรกวันนั้นเสร็จต่อมาก็พยายามบรรเทาความโรกรธด้วยพร ม, มีหานสี่หรือก็ะสินสี่ต่อมาก็บรรเทาความหลงคิดว่าการเกิดประเภทนี้มันไม่ดีเราต้องการพระนิพพานมาลดสรรพโลกก็ดีเทมาโลเทวาโ ล, โล ก, ก็ดีพรทมโล ก, ก็ดีไม่เป็นแดนผลนทก ความสุขไม่มีจริงอารมณ์อย่างนี้ธรรดาทั้พุทธบริษัทชายหญิงเป็นอารมณ์กำจัดสังโยชน์แท้ละเอียดถึงเบาลงไปจากเดิมถ้ากำลังมีเท่านี้สมเด็ดจเปชินาสีกล่าวว่าตายแจกความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือผมลงมาเป็นคนีนชาติเดียวไปนิพพานเลย <c oughs> เอ่การที่มีปัญญาบรารมีนะมันดีอย่างนี้ปัญญาบรารมีครอบคุมให้คนทุกแต่ว่าวันนี้มันก็พ้นไม่ได้บรรดาญาโยมทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเแล้วนี่ก็ต้องลาขอลากันก่อนวันนี้พักกันโชคราวนะวันหน้าเวลาหน้ามีโอกาสคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุนผ ล, ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี